ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้หรือโลกไหนไหนที่ผู้อื่นรู้แต่พระตรราคตไม่ทรงรู้ไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั ต, ตตาถาคดตรัสรู้โลกแล้วพลากแล้วจากโลกตรัสรู้เหตุเกิดแห่งโลกแล้วละเหตุเกิดแห่งโลกได้แล้วตรัสรู้ความดับแห่งโลกแล้วทําให้แจ้งความดับแห่งโลกแล้ว ตรัสรู้ปฏิปทาทางให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วเจริญปฏิปทาทางให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่มูสัตรพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้ว ถึงแล้วสแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจท่าตะาคตก็ได้ตรัสรู้สิ่งนั้นทั้งหมดแล้วเพราะเหตุนี้เราจึงได้นามว่าตถาคตคือบัณฑิตทั้งหลายกล่าวหรือเรียกเราว่าตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่าตาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด และย่อมปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในราตรีใดย่อมตรัสบอกแสดงถ้อยคำอันใดในระหว่างนี้ถ้อยคำนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแหลไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเหตุนี้เราจึงได้นามว่าตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าตถาคตพูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้น หรือทำอย่างใดก็พูดอย่างนั้นเพราะเหตุนี้เราจึงได้นามว่าตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าตถาคตเป็นผู้ครอบงำอภิภูโตคือเป็นใหญ่เหนือโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามณ์เทวดาและมนุษย์เราอันใครใครครอบงำไม่ได้ อณาพิภูโตเรารู้เห็นอะไรก็รู้โดยท่องแท้เราเป็นผู้ยังอำนาจให้เป็นไปวาสวัสตตีเพราะฉะนั้นเราจึงได้นามว่าตถาคตข้อความที่อ้างมานี้ข้อที่ควรจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือคำว่าสิ่งใดที่โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกและอื่นๆหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราม เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วฟังแล้วหรือได้ยินแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วและอื่นๆสิ่งนั้นตถาคตก็ได้ตรัสรู้คือรู้แจ้งทั้งหมดและอื่นๆข้อความอันนี้ต้องพิจารณาดูจากคําบาลีจึงจะเข้าใจความหมายชัดแจ้งซึ่งคําบาลีในตอนนี้มีดังนี้ยังพิกเว สเทวกาสาโลกาสาสมาลกัสศาสพรามณัสะ ส, ะสาสัสสัมณพรามณนยาประชายะสเทวมนุษายะทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังปัตตังปริโยสิตังอนุวิจริตังมณัสายสมาตังตถาคเตนะอภิสัมพุทธทัง ตสมาตถาคโตติวุจติสิ่งใดที่โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกและอื่นๆเห็นทิศังได้ยินสุตังทราบมูตังรู้แจ้งวิญญาตังคําว่าทิศทางซึ่งแปลว่าเห็นนานหมายถึงเห็นด้วยตาสุตังได้ยินหมายถึงได้ยินด้วยหูมู้ตังทราบ หมายถึงทราบคือรู้สึกกลิ่นด้วยจมูกรู้สึกรสด้วยลิ้นและรู้สึกถึงสัมผัสต่างๆด้วยกายส่วนคำว่าวิญญาต่าง น, านั้นหมายถึงรู้ธรรมารมต่างๆด้วยใจขอยพิจารณาดูคำอธิบายแน่ตกถาอีกครั้งจะทำให้เข้าใจความหมายอันนี้ชัดยิ่งขึ้นดังนี้รูปารมณ์อันใด มีสีเขียวหรือสีเหลืองเป็นต้นมาสู่ครองในจักสุทวาลของสัตว์ตวโลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกกรธาตุอันหาประมาณมิได้รูปารมณ์นั้นทั้งหมดทัต ถ, ถาคตเจ้าได้ทรงรู้แล้วอย่างนี้ว่าสัตว์นี้เห็นรูปารมณ์นี้ในขณะนี้แล้วเกิดความดีใจหรือเสียใจหรือรู้สึกเฉย สัตวารมณ์เช่นเสียงกรองเสียงตะโพนเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่อมาสู่คลองในโสตะทวานของสัตวโลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกกธาตุอันหาประมาณมิได้คันธารลมเช่นกลิ่นที่เกิดจากรากเงาและเปลือกเป็นต้นมาสู่คลองในคา น, นาทวานรสารมณ์เช่นรสอันเกิดแต่รากเงา และรสที่เกิดแต่ลําต้นเป็นต้นมาสู่คลองในชิวหาทวานโพธพารมเช่นปทวีธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุซึ่งมีลักษณะแข็งและอ่อนเป็นต้นมาสู่คลองในกายทวานของสัตวตวโลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกธาตุอนหาประมาณมิได้ พระตาถาคตก็ได้ทรงทราบอารมณ์เหล่านี้ทั้งหมดอย่างนี้ว่าสัตว์นี้เมื่อได้สัมผัสกับอารมณ์นั้นๆในขณะนันนๆแล้วเกิดความดีใจหรือเสียใจหรือรู้สึกเฉยเฉยพระตถาคตก็ทรงทราบเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งหมดธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันในเมื่อมาสู่คลองในมโนทวาร ของสัตวโลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกกาติอันหาประมาณมีได้ภัตตาถาคตก็ทรงรู้แจ้งว่าสัตวน์นี้เมื่อได้สัมผัสกับธรร ม, มารมณ์น้นๆในขณะนั้นๆแล้วเกิดความดีใจเสียใจหรือรู้สึกเฉยเฉยทัตตาถาคตก็ทรงทราบทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้ สิ่งใดที่สัตว์ตวโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วได้รู้แล้วนั้นที่พระทถาคตไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงรู้ไม่ทรงทราบไม่ทรงรู้แจ้งนั้นเป็นอันไม่มีข้อความที่กล่าวมานี้คือคําอธิบายโดยย่อจากคำภีอัตถกาถาที่อธิบายเนื้อความของพุทธพจน์ ดังที่กล่าวมาแล้วแต่ข้าพเจ้าไม่ได้แปลาตามตัวทั้งหมดแปลถอดใจความแต่ก็พยายามไม่ให้ใกล้ชิดกับรูปศัพ์และประโยคในภาษาบาลีให้มากที่สุดอันหนึ่งข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดที่โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกและอื่นๆเห็นแล้วทิฏฐังฟังแล้วสุตังทราบแล้วมูตัง รู้แจ้งแล้ววิญญาต่างนั้นยังมีข้อความต่อมาอีกว่าสิ่งใดที่โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกถึงแล้วสแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจตถาคตก็ได้ตรัสรู้สิ่งนั้นทั้งหมดคำว่าถึงแล้วบาลีใช้คำว่าปัดต่างสแสวงหาแล้วปริเยศีต่างใคร่ครวญแล้วด้วยใจ อนุวิจาริตังมานาสาคำเหล่านี้ในอัจฉริยะได้อธิบายไว้ดังนี้คำว่าปัดตังหมายความว่าที่มาประจวบเข้าโดยได้สแสวงหาหรือไม่ได้สแสวงหาก็ตามคำว่าปริเยสิตังหมายความว่าสแสวงหาอารมณ์ที่มาประจวบเข้าหรือที่ไม่มาประจวบเข้าก็ตาม คำว่าอนุวิจาริตังมนาสาหมายความว่าที่ใครค่ครวญแล้วด้วยใจถามว่าใครค่ครวญด้วยใจของใครตอบว่าด้วยใจของสัตว์ตวโลกพร้อมทั้งเทวโลกและอื่นๆพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ปัตตันติปริเยสิ ต, ตวาวาอปริเยสิ ต, ตวาวาปัตตังปริเยสิตันติ ปัตตังวาอปัตตังวาปริเยสิตังอนุวิจริตังมะนะสาติจิตเตณนะอนุสันจริตังกัสสะปะนะอนุวิจริตังมนาาะนะสาติเสถะวะกัสสะเปสเตวะมนุษายายติสัมพันธนียังเมื่อท่านได้อธิบายตามศัพท์ิรคคมเช่นนี้ต่อไป ท่านยังได้ขยายความต่อไปอีกดังนี้สิ่งที่มหาชนสแสวงหาที่ไม่ถึงคือไม่ได้ประสบก็มีที่ได้ประสบก็มีหรือสิ่งที่ไม่ได้สแสวงหาแต่ก็ได้ประสบก็มีที่ไม่ได้ประสบก็มีแต่สําหรับทัศฐานโคตรแล้วไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้ประสบคือทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ทรงกระทําให้แจ้งด้วยยานได้ทั้งสิน้นเพราะเหตุนี้ขึ้นชื่อว่ารูปารมณ์อันใดที่มาสู่คลองจักสุทวาลของสัตว์ทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้ในโลกกาตแทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้มีอยู่รูปารมณ์ทั้งหมด น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้ทรงเห็นได้ด้วยอาการทั้งปวง หมายความว่ารูปที่สัตว์ทั้งหลายเห็นนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปชนิดใดจะเป็นรูปสีเขียวสีเหลืองหรือสีอะไรก็ตามจะเห็นเวลาไหนก็ตามเห็นแล้วจะเกิดความดีใจหรือเสียใจก็ตามเมื่อสัตว์เหล่านั้นเห็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นทุกอย่างแม้ในเรื่องเสียงกลิ่นรส โหดพพะและธรรมมารมก็เช่นเดียวกันข้อความที่แปลออกมานี้ขอให้พิจารณาดูให้ละเอียดและเท่าที่แปลออกมานี้ก็เป็นการแปลชนิดถอดความเพราะถ้าแปลตามสำนวนบาลีจริงๆแล้วผู้อ่านจะสับสนจากคำอธิบายในอัจกรานี้หมายความว่าคำว่าปัดตังก็ดี ปริเยสิตังก็ดีอนุวิจริตังมณส า, าก็ดีคำเหล่านี้เป็นคำขยายความของคำว่าทิฏฐังสุตังมุตังและวิญญาตังนั่นเองอันหนึ่งโปรดสังเกตให้ดีว่าสิ่งต่างๆที่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมณะพราง หรือเทวดามารพรมชั้นไหนไหนก็ตามที่เขาได้เห็นหรือได้ยินแล้วและอื่นๆหรือโดยที่สุดแม้เรื่องราวต่างๆที่เขาเหล่านี้เคยคิดอยู่ในใจมาแล้วหรือกำลังคิดอยู่ก็ตามถ้าหากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาที่จะทรงเห็นหรือได้ยินหรือรู้ทางไหนก็ตามก็สามารถที่จะทรงทราบได้ทั้งหมด และทรงรู้ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เขาเหล่านั้นได้เห็นเมื่อไรที่ไหนมีรูปร่างลักษณะอย่างไรแม่เรื่องที่เขาเหล่านั้นคิดอยู่ในใจซึ่งจะเป็นเรื่องที่ล่วงมาแล้วนานสักแค่ไหนก็ตามถ้าหากพระองค์ทรงปรารถนาที่จะทราบแล้วก็สามารถที่จะทรงทราบได้ทั้งหมดอย่าลืมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีอภิญญาทั้งหกสมบูรณ์วิชาจรณะสำปันโนเช่นทรงระลึกชาติได้จรระลึกย้อนหลังไปนานสักแค่ไหนก็ได้ทรงมีตาทิพย์ทรงมีเจโตปริยญาณทรงมีทิพยโสตอย่างนี้เป็นต้นอันหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนและขยายความในเรื่องที่กล่าวว่าไม่มีสิ่งใด ที่ผู้อื่นเห็นหรือได้ยินหรือรู้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินหรือไม่ทรงรู้นั้นเป็นอันไม่มีนั้นควรจะได้ศึกษาถึงเรื่องดังต่อไปนี้อีกซึ่งข้อความอันนี้เป็นคำอธิบายในเรื่องสัพพัญยุตยานของพระสารีบุตรซึ่งท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ นาตัสสะอาทิตธรรมิทัตติกินจิอโถอวิญญาตามะชานิตตพังสัพพังอภินยาสิยทัทธิเนยังตถาคโตเต น, นะสมันตจักขุไม่มีอะไรในโลกนี้ที่พระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงเห็นและอะไรที่ควรรู้แต่ไม่ทรงรู้ พระองค์ทรงรู้ยิ่งทุกสิ่งที่ควรแนะนำเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงเป็นผู้มีสมันตะจักสุคือจักสุรอบด้านจากขุตกะนิกายมหาวัตรเล่มที่29หน้า436ข้อ727 ว่าสมันตจักรสุซึ่งแปลว่าจักรสุโดยรอบนี้หมายถึงสัพพัญยุตยา น, นั่นเองซึ่งพระสารีบุตรได้ที่บายไว้ในคำเภีร์อันเดียวกันนี้เองว่าสมันตจักขุวจัจติสัพพัญยุตตา낭พระควาสัพพัญยุตยาน น, นะอุเปโตสมุเปโตอุปะขะโตสมุปะขะโต อุปปันโนสมุปปันโนสมันนาคโตแปลว่าสัพพัญยุตยานเรียกว่าสมันตจักสุพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบรรลุคือเข้าถึงซึ่งสัพพัญยุตยานทรงประกอบไปด้วยสัพพัญยุตยานขอให้สังเกตคำเหล่านี้คือคำว่าอุเปโตสมุเปโต อุปัคโตสมุปัคโตอุ ป, ปนนัปปนโนสมุปัปปโนสมันนาคโตคำเหล่านี้ที่จริงเป็นไวโพ์ของกันและกันหรือเป็นการพูดเน้นถึงความหมายของคำเหล่านี้ให้ชัดยิ่งขึ้นและขอให้พิจารณาดูคำแปลาจากภาษาอังกฤษซึ่งศาสตราจารย์ริสเดวิสเป็นผู้ให้ไว้ดังนี้ Upeta furnished with endowed with possessed of maranang upeti a t t a h i ankehi upetang yuttang upeti come to approach undergo attain upakata g o n e to come approach upapanna one. process of having attained, being furnished with, 2. Reborn, come to existence in สมานนาคต a followed by process of endowed with อันหนึ่งขอให้สังเกตว่านอกจากจะพูดว่าอุปเปตโตแล้วคำต่อมาจะต้องมีคำว่าสังซึ่งเป็นคำบุพบ์ แปลว่าพร้อมหรือด้วยดีสุดถุประกอบอยู่ข้างหน้าด้วยเสมอเช่นอุเปโตสมูปเปโตอุปาก ะ, ะโตสมกปาก ะ, ะโตดังนี้เป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อขยายความให้ชัดขึ้นไปอีกว่าที่ว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตยานานเป็นการบรรลุอย่างสมบูรณ์หรือมีอย่างสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้น เรื่องสัพพัญยุตยา น, นี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะให้เข้าใจความหมายในเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งพร้อมด้วยหลักฐานที่มาจากคำพีต่างๆเพราะนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาโดยทั่วไปนั้นมักจะแปลความหมายแต่เพียงว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นสัพพัญยูก็เฉพาะในเรื่องทางธรรมเท่านั้น ส่วนเรื่องอื่นถ้าหากพระพุทธองค์ไม่เคยทรงเรียนรู้มาก่อนหรือไม่เคยทรงเห็นไม่เคยทรงได้ยินมาก็แปลว่าเรื่องนั้นนานพระพุทธองค์ไม่ทรงรู้แน่แต่จากหลักฐานที่อ้างมาแล้วหลายต่อหลายแห่งนั้นแสดงว่าแม้เรื่องที่พระองค์ไม่เคยทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแต่ถ้ามีพระประสงค์จะทรงรู้แล้ว หรือมีใครมาถามแล้วพระองค์จะทรงรู้และทรงตอบได้ทุกอย่างและเป็นการตอบที่ถูกต้องด้วยทุกเรื่องเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นสัพพันธ์ูทุกเรื่องไม่มีขีดจํากัดเช่นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบชื่อของสัตว์และต้นไม้ทุกประเภทลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพาภิกษุห้าร้อยรูปเพาะไปในอากาศลงที่ใกล้สระดูเวลและตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายที่สระดูเวลนี้ใครไม่รู้จักชื่อพวกปลาก็จงถามเราเมื่อท่านเหล่านั้นทูลถามแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ตรัส บ, บอกสิ่งที่พิสุถามแล้วถามอีกและไม่ใช่แต่ชื่อพวกปลาเท่านั้นยังให้ถามถึงชื่อของต้นไม้ทั้งหลายในราวป่านั้นด้วยของสัตว์สองเท้าสี่เท้าและนกในเชิงเขาด้วยแล้วก็ทรงบอกนี่คือข้อความตอนหนึ่งที่คัดออกมาจากคำพีสุมังคละวิลาสินีซึ่งเป็นคำพีอัตถกาถา อธิบายเรื่องมหาสมัยสูตรเพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าตามคำอธิบายในคำภีอัตกถฐ า, านั้นแสดงให้เห็นว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันญูนานมีความหมายกว้างขวางเพียงไรจากข้อความสั้นๆ น, นี้ผู้อ่านอาจจะต้องสงสัยหลายเรื่องเช่นสงสัยว่า พระพุทธเจ้าทรงนำภิกษุตั้งห้าร้อยรูปเหาะไปในอากาศได้อย่างไรและเรื่องนี้เชื่อถือตามเนื้อเรื่องได้จริงหรือและอื่นๆสำหรับปัญหาต่างๆเหล่านี้จะยังไม่ขออธิบายในตอนนี้เพราะเรื่องจะยืดเยื้อและสับสนมากขึ้นในที่นี้ต้องการแต่จะเพียงชี้ให้ดูหลักฐานได้คำพีว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันยูรู้ทุกอย่างนั้นคือรู้อะไรแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เคยทรงเรียนรู้ไม่เคยทรงเห็นมาก่อนก็สามารถที่จะทรงรู้ได้ทั้งนั้นจากหลักฐานในคำพีที่อ้างมานี้แสดงให้เห็นไว้อย่างชัดเจนส่วนปัญหาที่ว่าจะเป็นจริงตามนี้แน่หรือ และพระพุทธองค์ทรงทราบได้อย่างไร ท, งทั้งที่เรื่องนั้นๆไม่เคยทรงเรียนรู้มาก่อนจะเป็นไปได้หรือเหตุผลต่างๆในเรื่องเหล่านี้จะมีอธิบายในภายหลังอันหนึ่งคำว่าสะนกดูวาซึ่งแปลมาจากคำว่ากุณาลทะเหนั้นสะนี้อยู่ในเทือกเขาฮิมาลัย และคำว่าทา่าหะาซึ่งแปลว่าสาั้นความจริงคำนี้แปลว่าทะเลสาบอาเล็กก็ได้และเพื่อที่จะได้รู้ที่มาของเรื่องนี้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้พาพิสูห้าร้อยรูปหอะไปในอากาศแล้วไปลงที่ศาสนกดุวาวในเทือกเขาหิมาลัยทรงพาไปเพื่ออะไร และทำไมจึงทรงพาไปได้ฉะนั้นจะต้องศึกษาให้รู้ถึงที่มาของเรื่องนี้เสียก่อนซึ่งเรื่องที่ว่านี้มีอยู่ในเรื่องมหาสมัยสูตรซึ่งจะนำมาแปลให้ได้รู้เรื่องกันโดยตลอดเลยดังต่อบไปนี้